ก็มีซีโอพระห้าซีโอเนนองพ4ะสี่เนเข้าส่ว่าพรนะอะไรก็ลำบากนะคนเต็มอยู่ข้างหลังก็อะไรก็ลบกเรื่องกรพิอะอ รวมขบวบิตรายพระนี่ทั้งหมดทั้งหมดนี่ทาไหวัด67เฮะแล้ววัดใหม่วัดนีโกทอนเท่าไหร่โอฮะขอเราเท่าไหร่ ห้าแปดห้าสิบแปดหรเท่าไหตรว 5.8 ในที่ประชุมนี้ห้าสิบเจ็ดครับมีองหนึ่งเป็ดพจำพรรษาเป็นห้าสิบแปดจำพรษาเป็นห้าสิบแปดเอาเริมเลยนะแล้วคุกเข่าจ้งงระโมนะแล้วหันหน้ารวมกันเลยคุกเข่าจ้งระโม เาุโ่าคงนำบาด้วยบาป้องกันตามหลังเราอมตะมงอาวาเซอมตะมิงอาวาเซอมเทมาสังวัตังอุเตมิอมเทมาสังวัตังอุเตมิอมตะมงอาวามมงอาวา มังเตม s สังวัสเปมิอิมาสิงาวเอิมเตมสังัสเปมิ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 เทเรปมาเดนะดาวรัตยาณกตังสัพปังอภปราชังธรรมตุโนพันเตมาเทเรปมาเดนะดาวรัตยาณกตังสัพปังอภปราชังธรรมตุโนพันเตมาเเรปมาเนะดวรตยกตัง ซาปังอปรังคังตมตุโนพันเตมุมาเมตตวะวัจชาโซระปมะจติโซมังโลกังวพาเสติอาพาโมตุวัจณิมายัตสัปปังกตังกัมมังกุสเรนะปะหียะเ โซมังโลกังปพาเสติอภาวิวตวโตวจันติมาอภิวาดานสีดิสานิจังบ <c oughs> ุทธาพะจนโนจัตตารโรธัมมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาังไม่รด้ใคทราบว่ามียังไงหรือไม่มียังไงเดาข่าวว่าก็ข่าวว่า อดเดเียกพรอนิสัยดเอออออาิโยเมันเตหิอายสมะโตนิสยวชามิอริโยเมพันเตหิอายสมะโตนิสยวชามิ อาจารยโยเมผันเตโฮิอยสมะโตนิชายวัชามิโอปายิกังอาล s กันเตปสิลูปังาันเตปซาิเกนัซัมปาเดหิาันเตอจตเกานิเทโรไังพาโรอหิเทระสาพาโร อาจจะเกย์ดานิเทโรไม่ห้ามาโรอาัมบีเทระสักพาโรอาจจะเกย์ดานิเทโรไม่าโรอัมเระสักพาโรอกับอดีพอพอ มันเสียงไม่ออกนะหรือพูดเสียงไม่ออกคิดขอไม่ทราบจะมันจะเป็นเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะมันติดอยู่ใน ล, ลำคอพูดเสียงไม่ออกแล้วก็ออกคะไรด้วยเวลานนะเสียงมันเสียงมันแหบปวดแล้วนะ พูดอย่นี้ก็จะไม่ออกออกมันก็ออกไปหูหมดแล้ะเวลาดีได้เพราะฉันเกี่ยงบลำบากในะการที่จะพูดการเทศนาว่าการลำบากมากนะ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเริ่มจต่วันนี้ไปกรุยาณ์ทราบเขตของวัดกำแพงนอกนั่นเป็นเขตของวัดป่าบัตตาศกำแพงในขยายออกไปเป็นกำแพงนอกแล้วเข้าพรรษาไม่มีการงานอะไร มีหน้าที่ประกอบความภาคเพียนโคยตายเดียวนี่หูออกแล้วนะ อ, อ, อือพูดเสียงก็ไม่ออกหูลันแล้วมันจะพูดไปไม่ได้แล้วนะจะขอพูดเวลานี้มันไม่ได้ออกปากมันออกออกที่นี่เลยไม่ทราบมันออกทางนี้หรือเปล่า การสาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระเราและผู้มาปฏิบัติในวัดในต่างหน้าต่างตาประกอบค้ามาเปลี่ยนเพียร <c oughs> ดูใจแล้วละสำคัญมากนะใจเป็นตัวมหาเหตุ <c oughs> <c oughs> กระดิพิกแพงจะออกจากใจดังนั้นไม่ออกจากทางอื่ น, นใจสำคัญมาก ฟากันดูหัวใจตัวเองเรียกว่าภาวนาคืออบรมใจใจมีความคือความคนองตลอดเวลาทั้งเด็กผู้ใหญ่เท่าแก่ชราใจไม่มีไวัยมีความคนึกคนอคือคนองอยู่ตลอดเวลาไปตามวิสัยของใจที่กิเลสบีบบังคับให้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเวลาเข้าพรรษา ภากานตั้งอกตั้งใจการภาวนาถือสติเป็นสำคัญอย่างอื่นไม่สำคัญถ้าเราขาดสติแล้วจะอิรยาบทใจก็ตามเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ขาดความเปลี่ยนไปในขณะที่สติขาดไปสตินี้เป็นของสำคัญมากทีเดียว ถ้าโลกาศสติแล้วความเพียรก็ไม่ก้าวหน้า <c oughs> การตั้งสตินี้ส่วนที่มาเกี่ยวข้องมีอยู่ประเภทหนึ่งคือร่างกายเราถ้ามีความสมบูรณ์พูนผลจริงๆเช่นการโขกการฉันนี่อิมนะ่มหนาเต็มที่แล้วก็การภาวนาสติจะไม่ติดต่อกันผิดพลาดผิดลาด ถ้าผ่อนอาหารลงไปสติจะดีขึ้นดีขึ้นยิ่งอดอาหารด้วยแล้วสติแน่เลย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะนำไปพิจารณาตัวเองเช <c oughs> ่นอย่างฉันทุกวันหรือกินทุกวันแต่ไม่ให้มากถ้ามากแล้วมันท่วมทับสติตั้งไม่ค่อยอยู่ตั้งล้มพอยล้มพอย พลังของร่างกายนี้มันเสริมที่เลดได้เป็นอย่างดีจ <c oughs> ึงต้องระมัดระวงังการผ่อนอาหารส่วนมากสติจะไม่พ้นจากเรื่องของอาหารนี่แหละเป็นข่าศึกนี่ได้พิจารณาปฏิบัติมาแล้วได้ผ่อนสั้นผนยาวอดบ้างอิ่มบ้างอิ่มก็เพียงว่า อิ่มว่เบาไม่อิ่มเต็มที่นะ <c oughs> คือพ่ออยู่ทรงตัวอยู่ได้เท่านั้นแล้วจากนั้นก็ผอดลง <c oughs> หรืออด <c oughs> สติจะดีโดยลำดับลำดาสติดีสำคัญอยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังมากสติจะตั้งมันผิดพลาดผิดพลาดอยู่เสมอ ถ้าร่างกายมีกำลังน้อยสติค่อยดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> พระนักปฏิบัติจึงชอบผ่อนอาหารอุดอาหารกันเป็นจำนวนมากเพราะอันนี้ช่วยการตั้งสติความเพียรได้ดีแต่อันนี้เป็นเรื่องของอัตฉศัยของแต่ละลายจะว่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอน ก็ไม่ผิดเป็นคำบอกเล่าให้ไปพินิ์พิจารณาตัวเองเท่านั้นเองการพอร์อาหารนี้ดีหลักการก็เบาแล้กการประกอบความเพียรตั้งสติดีหสตินี่เป็นความจำเป็นทุกขั้นนะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนมาทางมหาสติมหาปัญญาโอ้ยลำคาญนะอย่างเนี้ย พูดมันดังอยู่นี่เนะ่มันพูดไปไม่ได้ละจะพูดไปไรละมันกลัวตลอดพูดนี่มันไม่ไออกมันออกนี่เดียวนี่นะเลยไม่ทราบว่ามันมานี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูดไปอย่างนั้นแหละใครตั้งสติดีพูดนั่นจะตั้งรากตั้งฐานได้เร็ว สติเป็นของสาคัญถ้ามีสติติดแนบอยู่กับใจเคลเล จ, จะไม่เกิดมันจะมีมากเพียร น, น้อยเท่าไรดันขึ้นมาจนหัวอกจะแตกก็ตามแต่สติบางคราวไวส้สังขารนั่นเป็นสังขารของเคลเลสังขารของสมุ ท, ทยัยมันจะขึ้นไม่ได้อวิชชาตัวดันให้อยากคิดอยากฟูงอยากรู้อยากเห็นอยากอยากตลอด เรียกว่าสมูทัยสังขารตรงพอพูงพัพเป็นกิเลสแล้วเอากลับเผาตัวเองอืที่นี้เมื่อสังขารตรงไม่ได้เพราะสติทับหัวมันไว้กิเลสไม่เกิดมันจะนนาแน่นกระไรขนาดไหนมันก็อยู่ภายในออกไปได้ล่ะนี่เลยพิจารณาทุกอย่างได้ดาเนินมาแล้วจึงได้มาสอนมู่เพื่อนเอาจนกระทั่งที่ว่าตั้งสติอยู่นี่คือลงใจแล้วนะมาคาดตั้งสติ ตั้งลงว่าการตั้งติติดอยู่กับคำบริกรรมในขั้นเริ่มต้นเพื่อลากฐานของใจต้องอาศัยสติลงใจแล้วว่าตั้งสติให้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมคำบุริกรรมจะบริกรรมคำใดก็ตามตามแต่ะลิตสยัยแต่สติให้ติดแนบอยู่นั้นแล้วกิเลสจะไม่เกิด มันจะมีมากขนาดไหนไม่เกิดกิเลสพอเผลสติแพรบออกแล้วออกแล้วแต่ละกิเลสเกิดออกจากอันสังขารสังขารกับสัญญาสัญญาก็ออกไปได้ถ้าสาขารออกไปได้ทีนี่พอสังขารออกหน้าแล้วจะออกทุกอย่างทุกอย่างไปพร้อมๆกันเลยไห้พากรสเกตออืมเลิกกิเลสมันมีอยู่ภายในใจทางออกเข้าบันคือสังขารเป็นสําคัญอืม อวิชาปจัจจญาสร้างขาราดันออกมาพอะปรุูงแพี่เป็นไฟกองหนึ่งขึ้นมาแล้วปรุงต่อไปถุงต่อไปเป็นสร้างกองควงไฟเขาเขาออกตัวเองหาขอบสงบไม่ได้นะ่ะถ้ า, ถ, าถ้าสังขารไม่เกิดขึ้นไม่ได้สติติดแนบอยู่จิตใจจะค่อยสงบเย็นสงบเย็นเพราะการปรุงไม่ให้ปรุงให้ปรุงแต่ งานของธรรมคือเช่นพุโทโธไปท้ด น, นะใครชอบคำใดก็ให้เอาคำนั้นมาเป็นงานของธรรมบางคับจิตให้อยู่กับงานอ น, นั้นสติให้ดีไม่ไม่ไมละ <c oughs> แล้วจิตจะค่อยสงบสงบลงไปสงบลงไปจนเย็นไปหมดในร่างในจิตใจของเราเพราะ กิเลสเกิดมาได้สติยิ่งแน่นหนามัน่นคงความดันของกิเลสคือสังขารมันดันขึ้นมาอยากที่จะากโค่อยเบาลงเบาลงคอบมสงบเย็ยนใจนี้ค่อยเย็ยนขึ้นเย็ยนขึ้นมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละกีดต่อไปกระตั้งรากฐานคือความสงบเย็ยนใจได้จากนั้นไปก็เป็นสมาธิสมาธิกีความแน่นหนามั่นค ง, งของใจ ต่างสวัเมื่อเป็นสมาธิแล้วขอบคิดกวาปรุงก็จางไปจางไปเจกก้กระช่างว่าคิดปรุงขึ้นมาลาคาญมีแต่ความดูเด่นอยู่อันเดียวด้วยสมาธิเท่านั้นอยู่ที่ไหอยู่ได้สบายสบายนี่จิตเป็นสมาธิสังคารปรุงลาคาญไม่อยากปรุงเพราะฉะนั้นจึงติดสมาธิผู้มีจิตแน่น้ํามันคงในสมาธินี้ติดเพราะ มันทำให้เพลินนั่งอยู่เวลากี่ชั่วโมงก็ตามมันเหมือนหัวต่อคือจิตมันแน่วอยู่อย่างนั้นตลอดไปล่ะคิดปรุงอะไรขึ้นมาลำคาญไม่อยากคิดอยากปรุงนี่แหละเข้าไปหนักเข้าหนักเข้าก็ติดสมาธิไม่ออกทางด้านปัญญา <c oughs> การพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าเป็นการรบกวนใจปัญญาคือออกทำงาน สมาธิทำให้ขี้เกียจไม่อยากออกทำงานทางด้านปัญญาทีนี้ปัญญาก็ไม่เกิดติดอยู่สมาธิจิตจนวันตายถ้าไม่ออกลากจิตสมาธินี้ออกทางด้านปัญญานะทางด้านปัญญานี่ต้องพาคิดเพราะจิตมีความแน่นหนามันขมแล้วไม่อยากคิดอยากปรุงมันเป็นงาน่า ง, งัันจะขี้เกียจคิดปรุงเรื่อง ถ้าเดินขันเรื่องอะไรขี้เกียจอยู่เฉยๆนั่นนะรู้แนวอยู่ภายในใจมันสบายนี่แหละนักภาวนามาติดสมาธิก้าวไปออกถ้าติดสมาธิแล้วไม่มีทางก้าวออกต้องดึงออกเมื่อจิตมีสงบภาพสงบ ใ้ขั้นได้พอเป็นไปแล้วให้ออกทางด้านปัญญาตามกาลเวลาที่จะควรออกปัญญาตามกาลเวลาที่จะเข้าสู่สมาธิพักจิใจอย่างนั้นนะพิจารณาคําว่า <c oughs> ปัญญานี้เอากรรฐานที่พระพุทธเจ้าประทานให้ขึ้นเจสาโรมานะขาสัน ต, ตาตะโตครอบบทในสกลกายเราพิจารณานี้แล้วแต่เราชอบกรรมฐานใด เจสารูมาผมคนเรียบฟันหนังนั่นเราจะเช่เราชอบอะไรก็พิจรารณามันจะลุกตามมาไปบทกันละท่านสอนได้เพียงสารานพอถึงหนังแล้วท่านหยุดเพราะหนังเป็นสำคัญหุ้มห่อสัตว์บุคคลไว้ให้ <c oughs> ลืมเนื้อลืมตัวลืมเขาลืมเรากลายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไปบทเพราะหนังนี่หุ้มหอ่อ พอพิจารณาไปถึงหนังทะลกหนังออกแล้วไปยังไงคนเราทั้งหญิงทั้งชายทักษสัตว์อะไรก็ตามีความน่าดูที่สวยงามที่ตรงไหน <c oughs> ไม่มีนั่นน่ะท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาพิพจารณาแยกออกตั้งแต่ผมขนเละบฟันไล่ไปหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาที่คลายดูให้ดีที่เรียกว่าปัญญา มุ่งพิจารณาปัญญาออกแล้วจะสว่างสวัยกว้างคล่องไปมากเพียงสมาธิไม่กว้าง ม, มีแต่ความสงบใจเท่านั้นอยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งหา <c oughs> ความแยบคายกว่านั้นไม่มี <c oughs> แต่พ อ, อ, อทางด้านปัญญาแล้วความแยบคายออกเรื่อยเรยไม่มีที่สิ้นสุดที่แรกก็พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาร่างกายจน <c oughs> มีความชำนี้ชำนาญพิกำรดจให้เป็นง่ายเป็นไปตามต้องการ <c oughs> ให้แตกเขาจากระจายต่อหน้าต่อตากำหนดเวลา ไ, ได้ทางนั้นทางนั้นนี่เรียกว่าปัญญามีความคล่องแคล่วนะที่จาส่วนนี้ อันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังโอดูในร่างกายของเขาของเราภายนอกภายในเป็นกรรมฐานด้วยกันนั่นแหละปัญญาไอ้พิจารณาอย่างนั้นเมื่อปัญญาออกแล้วจะเป็นการถอนกิเลสลำพังสมาธิไม่ได้ถอนก <laughs> ิเลสเพียงตีกิเลสให้สุบตัวเข้ามาเท่านั้นปัญญาต่างหากที่กล่าวไปฆ่ากิเลสโดยลาดับลาดา ตั้งแต่ส่วนยากจนกระทั่งที่สุดยอดไม่เหนืออำนาจของปัญญาไปได้เลยถึงต้องพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตใจนดเหนื่อยเมื่อไรเพราะการพริจารณาไม่หยุดไปถอยและให้พักพากในสมาธิถึงไม่อยากพากต้องพักมีแต่เห็นแต่ผลได้ได้ได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อ่าจะเป็นจะตายไม่คำหนึ่งไม่ได้นะถึงได้ก็ได้แต่กาลังบางเช้า หมดไปสิ้นไปอ่อนเพลียลงต้องเข้าพักสมาธิชันสมาธิเป็นที่ภักจิตพักนอนก็ได้พักสมาธิก็ได้พักสมาธินี่ด้วยเรียกว่ักจิตโ ด, ดยตรงไม่คิดให้ปูงกับเรื่องอะไรเข้าสมาธิแล้วจิตแน่วเหมือนถอดเสื้อถอดหนามที่นี่พอสมาธิมีกําลังแรก ทอยทางด้านปัญญาเนี่ยมันจะพุง่งพุ่งของมันเลยล่ะ <c oughs> ให้ภากัตจามานนะวันนี้ผมเทษยากมากนะเดี๋ยวที่พู ด, ดี่ออกทางหูทั้งสองทางนะผมฝืนพูดเฉยๆนะเหมือนว่าปากนี่จะไม่มีคเนี้มีจะอยู่ในดังเลยในภาคัตพิจรารณาการปฏิบัติเรื่องพอมีความสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์อารมณ์ชิดนู้นชะิดนี่นะอิมิมอารมณ์ เมือ่อกิจสงบกิจเป็นสมาธิแล้วจากนั้นให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาเ <c oughs> มื่อพิจารณาทางบ้านปัญญาพอมันเข้าใจเหตุผลทุกอย่างแล้วมันจะเพลินเพลินจนลืมเมื่อลืมตัวลืมกลางวันกลางคืนลืมหลับลืมนอนนะปัญญาเพลินให้หักเข้ามาเวลามันเพลินเหน็ด เ, เหนื่อยเมื่อละทาวหัวโอกที่แหละเหน็ดเหนื่อยมากแต่จิตมันไม่ถอย มันหมุนตีวต่วติ่วกับการพริจณาเพื่อฆ่ากิเลสถึงจะเป็นอย่างนั้นก็าตาม เ, เราเหนืดเหนื่อยเวลาให้พักเขาว่ า, าสู่สมาธิซะก่อนพักไปคิดใถ่ปรุงทางด้านปัญญาให้เข้าสู่สมาธิมีอารมณ์บันเดียวพอสมาธิมีกำลังแล้วถอยออกมาก็พุ่งทางด้านปัญญาเลยยิ่งเป็นปัญญาขั้นสูงเลยแล้วเลยเห็นสมาธิ <c oughs> เป็นภัยไปหมดเลยนะ ปัญญาต่างหากแก้ทีเลยสมาธิไม่แก่นั่นเอาแล้วนะสมาธิตีตะล่อมเพื่อเอาเอากำลังทางด้านปัญญาพอถอนจอากนี้แล้วก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาเอาธาตุเอ า, า, เอาขานันธะ์ อ, อสุภะอสุภังสุขขังอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นทางเดินพิจารณาตลบทบทวนไปดูกี่ข้างกี่โหนเอาความจานี้จำนานความคล่องแคล่วเป็นประมาณนะ ที่ร่างกายที่เวลาพิจารณาพอตัวแล้วมันก็อี่เหมือนกันไม่ใช่จะพิจารณาข้องแค่เท่าไหร่จะพิจารณาตลอดไม่ไม่ใช่นะจิตเบ็ดข้องจากข้องแค่ไปแล้วมันพอตัวมันปล่อยทั้งเรื่องอร่างกายรูปธรรมมันปล่อยอีบัวปล่อยไม่อไม่เอาล่ะที่จากนั้นมันจะก้าวเข้าสู่นามธรรมพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อาศัยทางรูปธรรมนี้ก็บ้างเพียงเล็กน้อยเล็ก น, น้อยนี่เรียกว่าจิตปล่อยปล่อ ย, อยร่างกายพอตัวแล้วปล่อยเองหากรู้ทุกคนพอพิจารณาถึงขั้นมันมั น, มนอิ่มแล้วมันก็ปล่อยปล่อยแล้วก็เดินทางนมามธรรมพวกเวทศาสัญญาสิขานเวทยาญาติคิดปรุงจากใจของเราดิละเกิดดับเกิดดับสัญญาอารมณ์จะเกิดจากใจทีนี้ให้พากันพิจารณาอย่างนี้ เมื่อเหนื่อยเมื่อล้าแล้วให้พักหยิดพักเข้าสู่สมาธิสม า, าธิเป็นเรือนพักของใจที่ทำงานทางด้านปัญญาอ่อนเพลีย ง, ลงแล้วต้องเข้าพักทางสมาธินี่ยาปล่อย่ะอันนี้เป็นงานสม่เสมอ <c oughs> ทางด้านปัญญาเวลามันออกมากๆแล้วมันจะไม่สนใจพักนะมันเพลินทั้งวันทั้งคืนบางคืนนอนไม่หลับมันเพลินตลอดเพลินในการฆ่ากิเลส เทียวะสติปัญญาตโนมัติเป็นไปเองหมุนติ่วูิ่วตลอดถึงอย่างนั้นก็นตามมันมีความเ็ดหนื่อยเมื่อลาได้ให้ยอดเข้ามาสู่สมาธิภักภักในสวาธิพอพักสมาธิแล้วจิตจะมีความมีกำลังวางชาสงบเย็นทีเดียว พอมีกำลังแล้วออกทางด้านปัญญาเนี่ยคราองตัวคราองตัวให้พากันพิจารณาอย่างนี้นะวันนี้ผมเทศยากมากนะผมฝือนอาด้า น, นนี่นะเดี๋ยวนี้ออกดทางนี้นะ่ะตลอดเวลาไม่ทราบว่าจะพูดไปอะไรการประชุมพ้าก็ไม่มีเวลาจะประชุมแม้แต่วันนี้เป็นวันจําเป็นที่สุดแล้วที่จะประชุมแล้วเทศนาว่าการให้พระ ให้ผู้ฟังทัลายเข้าเข้าใจมันก็ไปไม่สะดวกอย่างนี้แหละ <c oughs> หูเดี๋ยทายํางานเดี๋ยวนี้นะปากไม่ได้ทำงานนะพอพูดคำใดนี้ออกเตห้หูออกเต้หูทํางานแทนแต่ไม่ทราบมันเข้าอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลําบากเทศยากมาท่านทั้งนะหลายจดจำเอาเจะ ย, ยอๆอย่างเทวดานี้นะเทศมากคนนี้ไม่ไหวอ่ะท่ากันเวลานี้อ่อนเต็มที มีแต่หูทำงานหูหูพูดคาไหนออกทุกทางหูเราหูหมดหัวดิมีแต่เสียงกลางวานไปด้วยกันหมดเสียงงัดเสียงจำ ท, ที่จอออกมาที่แทบไม่มีนะให้พากันจํมมาเอาเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้แล้วนะเอาละ่ะเออากเทศลําบากมากแล้วมีอะไรอีกอะที่จะั น, นมีอะไรอีกไหมที่จะพูดกันมีไหมอ่า ไม่ม I mean, oh, oh, hey, ีโอ้ละบาอ้อยเพียในโหก้าจจบเป็นก็เทจริงอะไรเวลาเทเดียมันได้ยินไหมมันออกอะไยินไหมฮะแยินอยู่เลยนี่ทีพทส่ยมันีคือว่า เวลาเทศมันออกนี่นะมันไม่ได้ออกนะเหมือนว่าทางนี้ไม่มีออกทางนี้ทั้งหมดเลยเสียงออกหูทั้งสองไงมันกังวาอยู่ในสบองในหูเนี่ยมันไม่มาออกไอพวกอยู่ข้างในพากันตั้งอกทางใจปฏิบนะัติน่ยาอยู่เด่นๆดนด้า น, ด, านด้านนะ อะไรที่ขวางต่อวัดต่อว่า ต, ต่ออาต่อธรรมยาวนําเข้ามาเช่นเก้าอี้เก้าแอร์มันเอาใครเอามาเก้าโอเก้าอี้ยันนะพระพุทธเจ้าตัดจะูด้วยเก้าอี้เหรอแล้วอยากถามว่างั้นนะตัดจะีด้วยฟุกัดจะรู ด, ด้วยสู้ด้วยหมอนที่หลับที่นอนสวยๆงามๆนอนก็คอกคอกตะวันเที่ยงมันก็ไม่ตื่นนั่นเหรอเป็นของดีของดีไปที่ไหนมิจะเรื่องร่างกายล่ะออกล่า ความสุขเพื่อกายเพื่อกายเพื่อกายความสุขเพื่อหัวใจไม่ยังมีนะทำอะไรมีแต่เรื่องวัตถุออกหนะ้าออกหนะ้าเล่าสรุปสาวเวทนะตีขวางเอาไว้ขนาดไหนมันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาอืทามทําันพอดีท่นไม่ได้ยุ่งกับเสียงภายรอกเอามาปนปลืะอหา ร, ร่างกายอืมที่นอนหมอนมุง้งที่อยู่ที่กินอะไรให้ดีบทกับร่างกายแต่ใจจะเป็นยังไงไม่สนใจนีนะ่เสียตรงนี้นะอืม ผู้ปฏิบัติส่วนโลกไม่ต้องพูดแหละเขามีอย่างนั้นเป็นพื้นฐานของเขาส่วนทำผู้ปฏิบัติทำไม่ควจเจ้าวัตถุต่างๆจึงเป็นเรื่องของธาตุของขนันของร่างกายเข้ามาเหยียบทรัพการนอนหลับสบายจะดีเอะอะไรก็ดีก็ดีก็ดีนี่แกกี้นี่เห็นน่ยเมื่อวานใครเอาเก้าอี้หวายเก้าอี้เอ่ยมาเน่ยเราบอกให้เอาป่าเขาป่าเนี่ยั่งยังอยู่นั่นจะาไปไหนเอาไปตา หรืจะไปเผาไฟกับเผาเียพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดสรูปก้อสิ่งเหล่านี้เหล่านี้ไม่มีค่านะเป็นภัยต่อการภาวนาให้ลืมเนื้อลืมตัวการเป็นอยู่หลับนอนสะดวกสบายขลังขลังยี่คี้เกียดนักภาวนาอืมวัดนี้จึงไม่มีเก้าอี้เก้าแอ่อวหาอะไรท่านอยู่พอเป็นสภาพของท่านพอดีพอดีนี่เหมาะแล้วเป็นธรรมแล้วมีค่ามากแล้วสิ่งระนั้นมีค่าอะไรจะมาเหยียบทำต่างหา อัะไร ก, สก็สะดวกกายสะดวกกล้หาก็ามาปนปือ้อล้นวัดล้นว่าอันสิ่งที่ไม่เป็นท่านั่นนะที่สิ่งส่งเสริมที่เลิดนะ่ะมันขนเข้ามาขนก็ามามองไม่ทันนะอืมวัดดีปาการมันล้นเข้ามาตีออกตีออกเอามาต่อหน้าให้เ้ากลับคืนต่อหน้าไม่เอาเช่นพวกเก้าอี้พวกโต๊ะพวกอะไร ที่นอนมอนมุ้งฟูกฟูกอะไรที่ว่าสวยๆงามๆแลดีๆให้ป่าเขาป่าจะบอกอย่างนี้เลยนี่แหละพวกค่าสื่ของธรรมคือเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไปโใจอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนหลับที่ไหนได้กินยังไงกินได้หมดใช้อะไรใช้ได้หมดนี่คือผู้มุ่งอัดมุ่งธรรมท่านถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์สิ่งนั้นเป็นค่าสื่อต่างหากนะถ้ามันปลดปลื้มมากเข้ามาแล้วหมด เรื่องทางด้านใจิตใจจะไม่มี <c oughs> มันแฝงเข้ามาแฝงเข้ามานีน่น่าทุเลต์นะนี่พยายามกัน้นกลางเอาไว้มันก็ล้นเข้ามาล้นเข้ามาส่วนมากมันจะทําป็นการกรา่อการสร้างอยู่นั่นอยู่นี่จะทาเวลาเราไม่อยู่ <c oughs> เวลาเราอยู่มันทำมาได้แล้วถ้าผากมันแตกแตีกระบ้านเอาซิ อืมอะไรมันเลิกที่ก่อทำดูหัวใจเถอดีสิดูหัวใจตลอดเวลาสติฟาดเข้าขไปฟาดเข้าขไปตัวมันยุ่งอยู่ที่หัวใจพอตัวยุ่ขาดบัตบทแล้วอยู่ไหนสบายบทไม่ได้ยุ่งนะได้อะไรกินอะไรสบายหมดนอนอย่างไงสบายบด ท, ทำท่านเป็นอย่างนั้นนะไอ้ไม่พอไว้พอบีตะกิเลสอะไ น, นละ่ะอันนั่นก็ไม่พอนี่ไม่พออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีเรื่องกิเลสเรื่องธรรมไม่เห็นว่าเลย เปิปือเหลือเกิดเรื่องร่างกายอยากให้ดีไพยดีทุกอย่างให้อยู่สะดวกสบายร่างกายหัวใจเป็นไฟเมื่อกี้เผาอยู่นั้นทำไมไม่ดูนั่นละท่านผู้ปฏิบัติเห็นไหมศีแปลกท่านแสดงว่าอุจจาสยะนัมมหาสยะนาเวรมนีสีขาปทังสมาธิามิมนไม่ให้หลับให้นอนที่นอนอันสูงลใหญ่ภายในยัดในนู่นแต่สามีเห็นไหมนั่น มันหมูนอนนอนอย่างนั้นถ้าผู้มีศีมีธรรมนอนไม่นอนอย่างนั้นนอนแบบผู้มีศีมีธรรมสบายบุตรไอ้พวกหมูนอนหานอนอย่างนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันทำเป็นความเพลินเห็นการหลับก็นนอนดีก็ทำไปบดทํทำเลยก้าไปออกอะไรก็เพื่อกายเพื่อกายอยู่ดีกินดีหลับนอนดอีส่วนไฟเผาหัวใจอยู่นั้นมันไม่สนใจนี่แหละ มันน่าทุเลศ็นนะนี่ปฏิบัติมาไม่พูดเฉยๆล่ะมันไปนอยู่ในใจนี่แหละมันคุ้นกับอะไรโลกอะไรดูอะไรป้าป้ามันจับปุป๊บทะลุไปเลยทะเลยอืมึ่งเป็นเหมือนคนใบ้เฉยพูดเราไปนี่เขาดีไบดีเขาหาบ้าๆพูดเราไปเป็นบางประโยชน์เขาจะโกยโทษใส่เข า, ท, า, ท, าทั้งๆที่ทางนี้เป็นธรรมเขารับธรรมอะไรรับ แ, แต่โทษมันก็เป็นโทษไปหมด จึงหูหลวกตาบวบเป็นเหมือนคนใบ้ไปที่ไหนดูเอาดูเอาเนี่ยอยู่ในวงวัดเ้าแล้วควรจะพูดเราก็พูดนะสิไม่พูดไดไงเรารับผิดชอบทั่วทั้งวัดอืเราต้องแนี่ต้องอย่าเห็นวัตถุดีกว่าธรรมนะอยู่ยังไงอยู่ได้หาอย่ามาหามาโปรยปืนนักหน้าร่า ง, า, งรางกายป ร, ปรยปืนหาอะไรไม่มีในธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอในให้โปรนปรืนส่วนร่างกาย ที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินที่อะไรให้รูหลาฟูฟ้าไม่มีในธรรมมีแต่กิเลสแฝงขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นใหญ่เวลานี้อะไรจะไม่รูหลาไม่ใช่ธรรมแลยเดี๋ยวนี้นั่นแหละกิเลสเวลามันรูหลาขึ้นมากมากมันเหยียบหัวธรรมปฏิเสธธรรมว่าไม่มีไม่ใช่ธรรม สิ่งที่เป็นธรรมคือกิเลสทั้งกองทั้งกองอะไรอะไรจรีบปนปลื้อกันจะเลือกกิเลสร่ากกายนี่แหมทะลุถนอมเอามากทีเดียวมาให้อะไรแตะได้ <c oughs> การอยู่ก็อันนี้ไม่อร่อยอันนั้นไม่อร่อยหามาให้อร่อยหอให้อร่อยลิ้นอร่อยปาก ทำเพลเพลิกระดาษไหนที่เด็ดเผาอยู่นะมันไม่ดูนะอืมการอยู่การกินการหลับการนอนให้โปรนปือกันให้พอให้พอมีแต่เลือกที่เด็ดทางนั้นพูดแล้วสรุปสั้นเวนะียอืมผู้ที่มีประสงค์ทําในใจถ้านมายุ่งกับสิ่งอะไรนี้ยิ่งมีทำภายในใจตั้งแต่ความสงบโยกเยินขึ้นไปนเรื่อยๆแล้วท่านจะปัดหมดสิ่งอะไรนี้จนกระทั่งถึงขั้นพอดีอะไรขัดกับธรรมรู้บท เมื่อทําเป็นของพอดีพอดีอย่างเลิศเลยนะไม่ใช่พอดีธรรมดามันมาขัดกับธรรมอะไรๆเลยปัดออกปัดออกปาดออกทันทีทันทีอันนี้โลกไอสิ่งที่ขวางทำนะโลกชอบพอเป็นโลกกิเลสชอบอย่างนั้นเรื่องธรรมกิเลสไม่ชอบผู้ปฏิบัติธรรมก็หลงกลในกิเลสกิเลสไม่พาชอบก็ไม่ชอบอไม่ได้ปนปือนป่อแต่เรื่องร่างกายปนปื่อเหลือประมาณ ใจแห้งพางภากเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของด้วยการชำระสสารจิตกิเลสที่อยู่ในจิตทให้เบาบางไปบ้างแต่เจ้าของไม่สนใจนี่นะพากันพิจารณานะเช่นก็นยากลำบากเดี๋ยวนี้เห็นมาแล้วแ่แล้วพูดเดี๋ยวนี้เสียงมันลั่นออกขังหูก็ทนเอาทนพูดให้ผู้ฟังทลายพิจารณา ใจนี้เลิศเลยสุดยอดนะขออบรมให้ดีนะใจเดี๋ยวนี้ถูกเหยียบย่าทำลายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมีแต่กิเลสเลิศเลยด้หัวใจสัตว์หลงไปตามกิเลสไม่มีใครได้รู้เนื้อรู้ทุกตัวนะท่านผู้รู้ทำเหมือนทำท่านถ้าจะพูดภาษาโลกท่านหัวเลาะวัฏจักรหัวเลาะโลกจะมันเป็นบ้ากันทั่วโลกดินแดน จะทำจะไปป้าอะไรทำจะไปกระทดกระเทือนใครรู้เหมือนไม่รู้เห็นไม่เห็นเฉยอยู่งั้น่ะถ้าใครเข้ามาเกี่ยวข้องควรแนะนำสั่งสอนนักเปบาบางน้อยถ้าก็สอนไปถ้าใครไม่มาเกี่ยวท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านพอแล้วในในทำพอทำเลในหัวใจแล้วพากันตั้งใจปฏิบัตินะ <c oughs> อย่าป้ดปืนนั่งน้าร่างกายไปชี้ใจ ป, ป้อนปืนเหลือประวนัน อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีกันนะเอออำนาจอันนี้นะนนจเจ้าโรคเขามาเหยียบหัวธรรมนะเอาเรื่องวัตถุภายนอกเข้ามาเหยียบหัวธรรมนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วเห็นอยู่แล้วนะอืจะเจ้าวัตถุเนเรื่องของกิเลสมาเหยียบหัวผู้ปฏิบัติธรรมให้แหลกเหละตามกันบวดนะให้พระจําอืมโต้เล อ, เอนะเทอะมากวัดปราบบัณฑ์เวลานี้เลอะเทอะมากที่สุดสําหรับพระ เราก็ไม่ได้ต้อตีท่านท่านดีตลอดพระ่ะทั้ทั้งด้านอีกนันที่มาจากแบบอะไรโลกไหนต่อโลกไหนทิศใ่ทางใดทิศใดไม่รู้เข้ามาผสมกันทั้งตดทั้งขี่ผสมกันแล้วก็เป็นช่วงเป็นฐานหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีนะอยู่ยังไงบ้างร่มาอยู่บ้า ก, กินมานอนเฉย ๆ, ๆก็มีเยอะอยู่ในนั้นนะมันไม่สนใจได้อัตแต่ชามนะอีกจากนั้นมันทะเลาะ ก, กันก็มี แต่มันไม่ได้แสดงมาถึงเราเพราะเหตุไรถ้าแสดงมาถึงเราเลื่องทะเลาะแล้วจะได้ออกทันทีไม่เราไม่ช้ำละถ้าลงได้่ทะเลาะกันแล้วขั้นนี้ขั้นจุดยอดแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วตาดทันทีออกทันทีเพราะมันจึงไม่กล้าแสดงให้เราเห็นนะสิเห็นก็เอาจริงเอาจังนี่อารัฐวดพนะีพอนะครบควนแล้วอ อ, อพระกะเลิกกันก็เลอกกันไะ เหนื่อยอ่ะเนี่ยออกหูพูดอะไรออกหูมีอะไรอีกล่ะแล้วดอกเตอร์โคก็แกดแนะนำใหญ่ก่อนให้นำนะเตอร์โคก็มีเท่านั้นอาอครับอ๋อ